เรียนธรรมะเรียนของจริงนะไม่ได้เรียนคิดเอาต้องรู้สึกเอาจริงๆความความคิดปิดบังความจริงสมมุติบัญญัติน่ะปิดบังปารามัตดเราต้องเรียนจนกระทั่งเราสามารถเห็นอรมป์ปรมัดเห็นของจริงได้ดนั้นเราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้เพราะความคิดมันปิดกั้นสมมุติบัญญัติมันปิดกั้นไหมอย่างเรารู้สึกร่างกาย เราเรียกว่าร่างกายนี่เรียกโดยสมมุตินะโดยความเป็นจริงเป็นอะไรอย่างหนึ่งประกอบด้วยาธาตุจานวนมากหลายอย่างาธานี่เรียนแล้วเรียนทะลุลงไปให้เห็นของจริงแต่บางคนใช้วิธีเปลี่ยนชื่อเรียกร่างกายไม่ได้นะต้องเรียกว่ารูปถ้าเรียกว่าร่างกายแล้วก็แสดงว่าภาวนาผิดเรียกรูปแล้วภาวนาถูกมันก็เรียกเหมือนกันแหละ มันเปลี่ยนชื่อนะการเห็นรูปจริงๆไม่ใช่แค่เปลี่ยนชื่อถ้าเราพอวนาเป็นนะใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูไดนะ้เวลารู้สึกลงในกายเนี่ยเราไม่เห็นว่าเป็นร่างกายเราแล้วเห็นเป็นก้อนอะไรอย่างหนึง่งเป็นรูปนะถ้าจะโดยสมมุติบัญญัติตามภาษาปริยัติเรียกว่าเป็นรูปสมมติบัญญัติ โดยภาษามนุษย์ทั่วไปเขาเรียกว่าร่างกายความจริงกายกับรูปมันไม่เท่าเทียมกันรูปมี28รูปยี่สอย่างใน28อย่างไม่มีคําว่าร่างกายต่ว่าร่างกายมันเป็นอาการปรากฏขึ้นมาของรูปเวลาเราเรียนจริงๆนีนทะลุร่างกายเข้าไปไปเห็นของจริงของตัวจริงเงี้ยกว่าจะทะลุร่างกายไปเห็น รูปตัวจริงได้ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันถ้าจิตไม่มีสมาธิพอนะจิตไม่ตั้งมั่นพอมันจะไปได้แค่เปลี่ยนชื่อนี่ไม่ใช่ร่างกายแล้วนี่รูปก็คิดอย่างนี้แล้วภูมิใจว่ามีความรู้ก็เข้าใจผิดอีกมันไม่ใช่ของจริงอย่างพวกเราที่หัดภาวนาเนะพราใจเราตื่นขึ้นมาพวกเราจำนวนมากเลยที่เริ่มรู้สึกนี่มันตัวอะไรก็ไม่รู้ละ ไม่ไม่มีชื่อด้วยอย่าว่าแต่ชื่อรูปเลยนะชื่อก็ไม่มีเลยอะไรก็ไม่รู้สิ่งบางสิ่งมีอยู่นะแต่ไม่ใช่เราเนี่ยเราเห็นอารมณ์ปรมัติงจริงๆเห็นรูปแท้แท้ละที่พ้นสมมุติบัญญัติลงไปงั้นเราหัดภาวนานะจกกนกระทั่งค่อยๆอยฝึกไปเราพัฒนาเครื่องมือสองตัวตัวแรกเรียกว่าสติตัวที่สองคือสัมมาส ม, มาธิถ้าเราพัฒนาคู่เครื่องมือคู่นี้ได้นะ เวลารู้สึกอยู่ที่ร่างกายเนะี่ยเราจะเห็นรูปเห็นตัวจริงของมันที่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนะ่ยเห็นของจริงเห็นตัวจริง้งเราก็ต้องค่อยๆพัฒนาเครื่องมือสองตัวนี้นะสติกับสัมมาสมาธิสติเป็นความระลึกไดนะ้ไม่ได้เจตนาระลึกนะถ้ายังเจตนาระลึกอยู่เราก็ไม่เจอของจริงไปเพ่งเงานะปัญญาจะไม่เกิด เพ้อย่างเจตนาะระลึกรู้กายเจตนาะระลึกรู้ใจอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เจตนาธรรมดามันเป็นโลภะเจตนามันเจือด้วยความอยากด้วยเช่นอยากปฏิบัติแล้วมาคอยรู้กายอยากปฏิบัติแล้วมาคอยรู้ใจความอยากมันนําหน้าถ้ามีความอยากนําหน้าอยู่เจตนาตัวนั้นไม่บริสุทธิ์ละเรื่อโลภะเจตนาโลภะเจตนาเป็นความจงใจ ทางใจที่จะทําสิ่งบางสิ่งภาษาปริยัติมีศัพท์อีกคำชื่อมโนสัญญาเจตนาเป็นเป็นมโนสัญญามโนสัญญาเจตนาหมายรู้ทางใจมันจะจงใจไปหมายรู้ทางใจเบื้องหลังมันจริงๆส่วนใหญ่ก็โลภะนะั่นแหละมันก็เลยจงใจไปหมายรู้พระจงใจไปหมายรู้นะโลภะแทรกนะสติแท้ๆมันไม่เกิอดหรอก เราต้องค่อยๆพัฒนาจนสติอัตโนมัติเกิดขึ้นมาถ้าสติอัตโนมัติเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้จงใจจะรู้แต่มันรู้ของมันเองแต่อยู่ดีๆจะให้มันรู้ของมันเองนันรู้ไม่ได้ต้องฝึกต้องทําเหตุเหตุใกล้ที่ทําให้สติเกิดคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นงั้นหัดรู้สภาวะบ่อยๆเบือ้องต้นจะรู้สภาวะของรูปนี่ยากมากนะถ้าจิตไม่ทรงฌานดูรูปยากงั้นดูนามาทําไปก่อน ก็อย่างความกโกรธเนี่ยความรู้สึ ก, กโกรธตัวความรู้สึ ก, กโกรธเนี่ยเป็นอารมณ์ปรมาจิตอยู่แล้วง่ายๆถ้อยคําที่เรียกว่านี่ว่ากโกรธภาษาอะไรแต่ละภาษาก็มีบัญญัติไม่เหมือนกัน น, นั่นเป็นสมมติบัญญัติแล้วแต่ค ว, วความรู้สึกนั้นเหมือนกันคนจีนคนไทยคนฝรั่งนะเวลากโกรธนะมันก็เป็นความรู้สึกแบบเดียวกันเรานั้นความรู้สึกนั้นแหละเป็นของจริงถ้อยคำที่เรียกความรู้สึกชนิดนี้ คนจีนอาจจะบอกเยอะมากแล้วใช่หมฝรั่งเรียกอะไรลืมไปแล้วเออ a กรี <laughs> y อะไรก็ว่าไปคนไทยก็โมโหโกรธนะอะไรเี้ยอันนี้เป็นสมมติบัญญตัติแต่ตัวความรู้สึกมันเป็นอันเดียวกันคนชาติไหนก็เหมือนกันกระทั้งหมาเวลาโกรธ น, นะก็เหมือนที่พวกเราโกรธนั่นแหละงั้นอย่าภูมิใจนะหมาก็ทำเป็นนะบางคนภูมิใจนะักโกรธเก่ง โอ้เวลาฉันโกรธนะเห็นช้างเท่าหมูไปเตะหมูยังพอรอดนะไปเตะช้างคงไม่รอดหรอกเห็นช้างเท่าหมูเงั้นเราดูนะดูความรู้สึกเนี่ยเป็นสภาวธรรมเป็นปรมัตถธรรมที่ดูง่ายมันไม่มีอะไรปิดบังนะแต่ดูรูปนี่ดูยากมากเลยเพราะเราคุ้นเคยกับร่างกายยกมือทีไรก็เห็นมือทุกทีใช่ไหมนี่ก็แขนใช่ไหมจับลงไปนี่จับนิ้วใช่ไหม มีชื่อด้วยนี่นิ้วโป้งนี่นิ้วก้อยมันชินะมันชินกับของร่างกายเนี่ยนะมันเพราะงั้นมันไม่เห็นรูปตัวจริงแต่หลวงพ่อตอนเด็กๆนะังเคยเล่นไล่จับกับเพื่อนเราเป็นคนไล่จับก่อนวิ่งตามจับมันได้นะไ ม, ไม่จับตัวได้ละใครถูกจับตัวได้จะต้องเป็นคนไล่ใครเคยเล่นบ้างเล่นแบบเนี้ยเคยเล่นบ้าง เด็กสมัยนี้ก็เล่นกงินะไม่พัฒนาเลยเ <c oughs> <c oughs> นื่องจามีสมัยหลวพ่อเล่นอย่างนี้หนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังเล่นอยู่เหรอวิ่งไล่จับกันเนะี่ยถ้าจับตัวได้ก็แพ้คนไหนถูกจับได้ก็แพ้ต้องเป็นคนไล่เริ่มต้นเราก็ไล่ก่อนเลยนะไล่แต่ครุบจับปุ๊บได้นี่ได้ตัวแล้วมันยอมเลยถึงเวลาหลวงพ่อวิ่งหนีบ้างนะไม่หนีเลยวเราขี้เกียจวิ่งเราวิ่งมานานแล้วเราวิ่งช้าๆนิดๆหน่นนอยๆ <c oughs> พอมันตะครุบเราได้ปุ๊บคว้า ม, มือเรานี่ได้ตัวเองแล้วเฮ้ยนี่จับมือท่างหากไม่ใช่จับตัวนะมันเปลี่ยนใหม่แนละ้วคว้าแขนเลยนี่ได้ตัวเองแล้วเฮ้ยนี่แขนมันชักงงนะมันโดดรวบบอกอเฮ้ยนั่นเอวอเอมันเลยสรุปเลย <laughs> มันสรุปได้อย่างเดียวนะไอ้ขี้โกงนะมันไม่รู้านะเราพูดเป็นธรรมะเนาะ แต่ว่าใจที่มันเคยฝึกนะก็มองอะไรมองออกมาในมุมของธรรมะโดยอัตโนมัตนะิตั้งแต่เล็กๆคอยมองอะไรก็มองไปงน็น่งนนเวลาเล่นนะ่ะเล่นเป็นพระมีผ้าขนหนูผืนใหญ่ๆนะสีต้องสีเหลืองด้วยสีอื่นไม่ไมชอบเลยก็อนาะมาหม่มแล้วก็สวดมนต์อย่างนี้ตัวรูปตัวยากถ้นะเราคุ้นเคยเสียสมมุติจกนกระทั่งเราลืมตัวจริงของมันไปละ นะดูยากความรู้สึกอย่างดูง่ายกว่านะมันถูกปิดบังนิดเดียวเองนะถูกชื่อปิดบังไว้อย่างความรู้สึกโกรธนะกับคําว่าโกรธไม่เหมือนกันใช่ไหมให้เรารู้ที่ตัวความรู้สึกความรู้สึกรักใครไม่เคยรักบ้างมีไหมอย่างนั้นก็ต้องรักตัวเองนะ หือเด็กๆ ก, ก็รักพ่อรักแม่แต่ละวันก็รักไม่เท่ากันอีกความรักก็ไม่เที่ยงวันไหนพ่อแม่ตามใจก็รักมากวันไหนพ่อแม่ขัดใจก็รักน้อยหน่อยหรือโกรธไปเลยนความรู้สึกอย่างนี้นะดูง่ายงั้นให้เรารู้ความรู้สึกทั้งหลายไปด้วยตัวนี้เป็นอารมณ์ปรมัตน์ของจริงๆเลยนะแต่ตัวดูรูปนี่ตัวยากๆส่วนนักปฏิบัติส่วนมากชอบไปอ้างว่าดูรูปนะไม่ถึงรูปเท่าไหร่หรอกเป็นสมมติบัญญัติไปหมดอย่างดูท้องเนี้ย ดูท้องพองท้องยุบดูลมหายใจอะไรเนี่ยลมหายใจก็ยังไม่ใช่ตัวรูปแทๆ้ๆแค่สมมติขึ้นมาเท่านั้นในลมหายใจถามว่ามีรูปอะไรบ้างมีรูปดินไหมในลมหายใจฟังก็งงเลยใช่ไหมในลมหายใจมีดินด้วยมีน้ำไหมน้ำยังพอมีใช่ไหมเห็นหายใจออกมา ม, มีกวันออกมามีลมไหมในลมหายใจเราคิดว่าตัวลมที่พัดไปพัดมานี่คือลม มีไฟไหมในลมหายใจเนี่ยเวลาเรารู้ลมหายใจใช่เราเห็นลมหายใจเราไม่เห็นธาตุธาตุที่ดูยากในลมหายใจนะันคือธาตุดินหายใจออกมาไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยสัมผัสไม่ได้ความจริงมวลของมันนะ่ะคือธาตุดินนั้นตัวธาตุจริงๆดูยากนะตัวรูปจริงๆดูยากถ้าจิตไม่ทรงฌานจริงๆดูยากมากนะนี่กรรมฐานส่วนมากที่พวกเราทากันยุคนี้ชอบไปดูรูป แต่มันดูไม่ค่อยถึงรูปนะมันก็เลยไม่ค่อยมีพระอริยเกิดขึ้นไปเห็นแต่ร่างกายเห็นส่วนต่างๆของกายเช่นเห็นมือเห็นเท้าเห็นท้องเห็นลมหายใจเป็นส่วนของกายความจริงแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นกนะ็ประกอบด้วยรูปจำนวนมากรูปเป็นกลุ่มๆเรียกกลาบแค่ฟังชื่อก็เวียนหัวแล้ว <c oughs> ดูเป็นกลาบกลาบนั้นเกิดดับทีละกลาบแต่ตัวนามาทาดูง่าย โกรธขึ้นมารู้ไปที่ความรู้สึกเห็นความรู้สึกมันผุดขึ้นมาโลภขึ้นมานะเห็นความรู้สึกมันผุดขึ้นมานะใจลอยไปก็โอ้ใจลอยก็รู้ว่าใจลอยไปแต่ไม่ใช่ไปรู้เรื่องที่ใจลอยนะหลวงพ่อนะมีญาติคนหนึ่งเป็นอาอีออีคนจริงอาอีของแม่ชีครับอาอี้เคยไปภาวนาที่เมืองการไปอยู่ตั้งหลายวันนอ่อาอีขอพิเศษนะตอนนั้นยังไม่ได้เปิดวัดรับใครนะ อย่างตอนนี้ขอพิเศษไม่ได้แล้วต้องเข้าคิวอ่ะอีอี้เลยท้อแท้ใจอี้เลยไม่มาสมัครเลยอี้รู้สึกคงตายก่อนนะนี่อี้ไปอยู่เมืองกาดนะเรียนมาฟังอยู่หลายวันแนละ้วในส่วนอี้ก็บอกว่าอี้ภาวนาเป็นแล้วถามว่าเป็นยังไงอี้เห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมนะเอออี้อย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมคนอื่นเ้าก็เห็นเห็นไหมคนที่ไม่ภาวนาเขาก็เห็น เห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมนี่มันสมมติบัญญัติทั้งหมดเลยตามองเห็นอะไรตามองเห็นรูปเห็นสีที่ตัดกันเป็นพัดลมตัวสีนัเป็นตัวรูปแท้ๆนะแต่ตัวพัดลมเนี่ยคำว่าพัดลมเนี่ยเป็นสมมติบัญญัติเพั้นเห็นอะไรเห็นแต่พัดลมไม่ได้เห็นสีไม่เรียกว่าไม่เห็นรูปนะเนี่ยไม่ใช่ภาวนาหรอกแต่ถ้าดูความรู้สึกจะง่ายๆความรู้สึกอะไรผุดขึ้นมารู้ไปรู้ไปพวกเรารู้ความรู้สึกได้ทุกคนโดยเฉพาะคนไทยนะ คนไทยเนี่ยหลวงพ่อเคยรวบรวมศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกได้200กว่าคํารวมไว้ตอนอยู่สวนโพนั้นบ้างๆไม่ด้วยทําอะไรพักผ่อนด้วยการรวมศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกนาน า, นาชนิดอยังขัดใจเครื่องใจขุนใจใช่ไหมขัดใจกับขุนใจก็ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมเครืองก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยมันจะมีดีกรีมีความรู้สึกที่แตกต่างกันเยอะแยะเลยนี่วันหนึ่งมีคนมายืมไปดูนะแล้วจำไม่ได้ลอกไข่เอาไปเลย หายพาหายไปเลยนะตั้งแต่นั้นเลยขี้เกียดรวมดีมีคุณสันติวันนี้ไม่มาเมว่าเอามานี่ไปรวมมาให้ได้สามร้อยกว่าคำํำนี่นักรวมนะบอกยังไม่หมดนะครับนี่ยังมีอีกแต่ผมขี้เกียจแล้วง <c oughs> ั้นคนไทยนะมีความรู้สึกเนี่ยที่ละเอียดมากเลยจำแนกชนิดต่างๆของความรู้สึกได้ละเอียดยิบไปหมดเลยนะ อย่างดีกรีของความโกรธก็าเยอะแยะไปหมดใช่ไหมอิจฉาก็อยู่ในความโกรธนะกังวลก็โกรธนะกลัวก็โกรธนะความหวงแหนตระหนี่ก็โกรธนะเป็นอยู่ในตระกูลความโกรธมันไม่สบายใจเป็นตระกูลที่ไม่สบายใจนะเพราะนั้นานานาชนิดเลยความโลภก็มีเยอะแยะความโลมอยากได้เรียกโลภะความถือตัวความถือตัวก็อยู่ในกลุ่มความโลภ ความคิดความเห็นการยึดในความคิดความเห็นที่ผิดผิดก็อยู่ในความโลภนะแต่ว่าเราไม่ต้องไปแยกว่าตระกูลไหนตระกูลไหนนะมันยุ่งเหมือนกันแหละเรารู้ความรู้สึกไปเช่นเราคุยกับเพื่อนเรามีความเห็นอย่างนี้เพื่อนเห็นอีกอย่างเราชักโมโหแล้วเรารู้ว่าโมโหนี่รู้แบบตื้นๆก็เห็นว่าใจกาลังโมโหรู้ละเอียดขึ้นไปนะเห็นเบื้องหลังาอีกเบื้องหลังที่โมโหนะเพราะเรายึดในความเห็นของเรา ฉันเห็นอย่างเนี้ยความเห็นของฉันดีกว่าความเห็นของเธอไม่ดีหรือบางทีก็รู้นะความเห็นเขาดีกว่าแต่ฉันอยากเอาชนะเนี่ยอย่างนี้เคยเป็นบ้างไหมเคยมีบ้างไหมรู้ว่าเขาพูดถูกเขาคิดถูกนะแต่อยากเอาชนะเพราตะตแบงอะรู้จักตแบงัหม <laughs> ไม่ใช่ตะเบรบูย่านะนี่ตแบงเนี่ยความรู้สึกต่างๆนะเราคอยรู้ลงไปเราจะดูความรู้สึกที่เกิดขึ้น เราจะเห็นว่าความรู้สึกนานาชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยความโลภเกิดแล้วก็ดับความโกรธเกิดแล้วก็ดับความหลงเกิดแล้วดับความฟุ้งซ่านความหงุดหูิทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปเนี่ยเฝ้าดูอย่างนี้หรือความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นที่จิตใจเราก็ค่อยรู้ไปความสุขความทุกข์อะไรพวกนี้ก็ดูง่ายนะมันไม่ลึกลับซับซ้อนเหมือนรูปรูปดูยากนี่เราดูลงไปซื่อๆเลยนะ อย่างนั่งอยู่แล้วมันปวดขึ้นมาเห็นเลยความปวดมันแทรกเข้ามาในกายนะหรือว่าความกลุ่มใจแทรกเข้ามาในจิตนความทุกข์มันแทรกเข้ามาในจิตแล้วก็คอยรู้ทันไปเรื่อยนะเราจะเห็นเลยสภาวะทั้งหลายไหลามาแล้วก็ไหลไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะจิตปรุงกิเลสขึ้นมานะเสร็จแล้วกิเลสก็กลับมาปรุงจิตอีกนี่ปรุงกันไปก็ปรุงกันมานะสะสมกันไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบสิน้นให้เราคอยมีสติรู้ทันไปเรื่อย เราจะเห็นว่สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ดับทั้งสิ้นภาวนาเพื่อมาสู่จุดนี้นะตั้งหลักให้ดีไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้เกิดความดีความสุขความสงบหลวงพ่อมาหัดใหม่ๆก็ทําผิดเหมือนกันเลยตั้งเป้าผิดตั้งเป้าผิดนะตอนเด็กๆหัดภาวนาตั้งแต่เจ็ดขวบหัดรู้ลมหายใจตั้งเป้าไว้เลยว่าจะต้องสงบเพราะฉนั้นเอาความสงบเป็นสารณะนะ ความสงบเองก็เป็นของไม่แน่นอนใช่ไหมยังเป็นสังขารอยู่ยังเป็นของที่แ ป, ปรปลวนอยู่เมื่อเราไปเอาความสงบเป็นเป้าหมายเนี่ยไปไม่รอดหรอกวันนี้สงบได้อีกวันหนึ่งมันก็ฟุ้งซ่านได้อีกใช่ไหมหรือจะเอาความดีความดีก็ยังแปรปรวนได้อีกใช่ไหมวันนี้ดีก็พรุ่งนี้ร้ายได้อีกนี่เราเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติไม่ได้หรอกมันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของแ ป, ปรปลวนนะเราต้องปฏิบัติเอาแก่นสารสาระให้ได้นะคือความหลุดพ้นนะ ไม่ใช่เอาแค่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเทียบนะ บ, บางคนอยากได้แก่นไม้นะแต่ว่าไปเอาใบาไม้มาไปเก็บใบไม้มานะเก็บกิ่งเล็กๆอะไรเงี้มานะท่านบอกเหมือนคนจะมาภาวนาคนมาบวชเนี่ยบางคนบวชแล้วไปติดอยู่ที่ลาบสักการะที่ชื่อเสียงนะอย่างเนี้ยเหมือนอยากได้แก่นไม้แต่ได้แค่ใบไม้ได้แค่กิ่งเล็กๆอนะไรเงีนะ้ยบางคนก็ภูมิใจ มาบวชทั้งทีหรือมาภาวนาทั้งทีรักษาศีลได้ดีเนี่ยท่านบอกศีลก็ยังไม่ใช่แก่นศีลเหมือนสะเก็ดไม้สะเก็ดไม้เปลือกเปลือกมันนะบางคนก็มุ่งเอาสมาธิท่านบอกว่าสมาธิก็ยังใช้ไม่ได้รู้สึกจะข้ามขั้นไปอันนะท่านเปรียบอะไรอกัน <c oughs> กิ่งไม้หรืออะไรแล้วค่อยมาสะเก็ดไม้นะคือยังไม่ถึงแก่นสเสติ สิ่งที่ไม่ใช่แก่นของการปฏิบัติหนะ้าแรกเลยชื่อเสียงราบสักการะกรนะทั่งเป็นโยมอย่านึกว่าภาวนานแล้วไม่เอาชื่อเสียงนะโยมที่ไปเปิดสอนเนี่ยเยอะแยะเลยนะสอนถูกบ้างสอนผิดบ้างนะมีสารพัดนานาชนิดเลยบางคนไปเที่ยวสอนคนอื่นนะแล้วบอกเป็นสาขาหลวงพ่อประโมทมีนะเราฟังแล้วงงมากเลยนะ ah? เราไปเปิดแฟรนไชส์ไว้ตั้งเมื่อไหร่ <laughs> ฟังแล้วก็งงๆนะไม่มีนะ ขอแถลงการหน่อยหลวงนั่วงสันศรัทธาทำเนี่ยไม่มีสาขานะตอนเนี้ยมีคนมาเสนอที่ดินเสนออะไรให้เสมอเสมอนะหลวงพ่อไม่เอาซะกันหนึ่งเราไม่มีความพร้อมที่จะขยายงานแบบนั้นขยายแล้วคุณภาพไม่ดีขยายทําไมเอาของหลอกลวงไปให้คนเขาได้ยังไงงั้นไม่มีสาขานะงั้นเราภาวนาเนี่ยไม่ได้เอาชื่อเสียงไม่ได้เอาผลประโยชน์ เอาผลประโยชน์ก็มีบางคนเขก็เอาผลประโยชน์เอาชื่อเสียงพวกนี้ใช้ไม่ได้ห่างไกลนะห่างไกลกับเป้าหมายที่แท้จริงไม่ได้ภาวนาเพื่อจะภูมิใจว่ามีศีลมีศีลเหนือคนอื่นสังเกตไหมบางคนชอบไปถือศีลถือศีลเสร็จแล้วกลับมาดูถูกคนอื่นว่าไม่มีศีลเนี่ยเพิ่มกิเลสนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะท่านบอกว่าใช้ไม่ได้หรือบางคนเอาสมารถทุกวันจิตสงบใจสว่างโล่งว่างสบายอยู่กับความว่าง นี่ภาวนาแล้วเอาสมาธิท่านก็ว่ายัางใช้ไม่ได้สมาธิเหมือนกับอะไรเปลือกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยท่านเทียบบางคนจะเอาปัญญาภาวนาแล้วอยากมีความรู้เยอะๆอยากแตกฉานนี่เหมือนเอาเนื้อไม้ยังไม่ถึงแก่นไม้เนี่ยขนาดศีลสมาธิปัญญานะถ้าเราวุ่งปฏิบัติมาเพื่อสศีลเหล่านี้ก็เรียกว่ายัางไม่ได้เข้าเป้าเลยนะยังไม่ถึงเป้าหมายที่แท้จริงงั้นเราปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อวิมุติ ความหลุดพ้นจากความยึดถือในรูปในนามในกายในใจนี้ไม่ยึดอะไรในโลกเพราะเราภาวนาเพื่อให้เกิดวิมุตินะจะมีวิมุติได้ต้องมีปัญญาเห็นความจริงล้างความเห็นผิดไปมันไปยึดถืออยู่เพราะมันเห็นผิดที่เห็นผิดเพราะมันคุ้นเคยที่จะเห็นผิดเห็นร่างกายทีไรก็รู้สึกตัวเราทุกทีใจมันโกรธขึ้นมาก็ว่าเราโกรธใจมันโลภเพราะว่าเราโลภนะความจริงจิตมันปรุงความโลภขึ้นมาจิตมันปรุงความโกรธขึ้นมา มันไม่ใช่เราโลภเราโกรธหรอกนี่เราหัดภาวนานะหัดดูของจริงไม่ใช่มุ่งเอาสิ่งที่ปริยโยยอยืน่นตอนเด็กๆหลวงพ่อก็มุ่งเอาสงบนะใสยสงบแล้วก็ฟุง้งสงบแล้วก็ฟุง้งแล้วก็อยากดีอยากเป็นคนดีนั้นดีแล้วบ้างร้ายบ้างอะ่ะบางวันก็ดีบางวันก็ผิดศีลนะบางทีก็ไปแกล้งเพื่อนไปหยอกเย้าเขาไปหลอกไปอำเขาอะไรเงี้ก็มีนะไม่ใช่หรอกโดยเฉพาะหลอกเรื่องผีนี่ชอบมากเลย เดี๋ยวนิยมมาวัดยังชอบเล่าเรื่องผีให้ฟังแต่ว่านี้ไม่หลอกนะเขาเจอกันมาเยอะแล้วอยู่กุศสองเนะเจออะไรยัง่งไม่มีรสชาติจิตแข็งอย่างเนี้ยไม่มีหรอกจะบอกให้ผีที่เนี่ยคือผีอะไรรู้ไหมผีตุ๊กแกผีจิ้งจกแล้วก็ผีประสาทของพวกเราเองเช่นได้ยินคนเคาะหน้าต่างป่องปๆงปงอโอยตายแล้วผีหลอก โถลงไปสองไฟดูสิตุ๊กแกมันคาบมแมลงโขกข้างฝาเนี่ยเราก็ไปวาดภาพผีเยอะแยะไปหมดเลยนะได้กำลังใจไหมจันยา <c oughs> เดี๋ยวก็รู้นันเราภาวนานะไม่ได้เอาแค่นั้นหลอกจนกระทั่งมาเจอหลวงปุดดุลนะท่านสอนให้ดูจิตดูไปเรื่อย เ, เสร็จแล้วมันเกิดสนใจโอ้รู้สึกน่าสนใจนะ มีชันทะที่จะดูไม่ได้คิดว่าดูเพื่ออะไรละแต่รู้สึกว่ามันแปลกดีทาไมเราไม่เคยรู้ทันจิตใจตัวเองนะมาหัดรู้หัดดูนะแปลกดีนะน่าตื่นเต้นน่าสนใจเหมือนหนังสือที่ไม่เคยอ่านนะมันก็สนใจมากตามรู้ตามดูไปเรื่อยแต่ไม่ได้หวังว่าดูแล้วจะได้อะไรเนี่ยพอไม่ได้หวังว่าดูแล้วจะได้อะไรนะมันจะได้ผลเร็วนะถ้าเราฝึกด้วยใจที่เป็นกลางแบบนั้นจริง แต่ถ้าเราภาวนาทุกวันแล้วเราก็คิดว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้จะไม่ได้หรอกนะถ้าอยากได้ของดีนะมันจะไม่ได้แต่ว่าถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะมีสติดูจิตดูใจของเราเรื่อยๆไปนะวันหนึ่งต้องได้นะได้เองแหละจิตมันเป็นของมันเองไม่ใช่ว่าเราทําได้เราทําไม่ได้เราบังคับไม่ได้ไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะจิตบรรลุของมันเองเมื่อศีลสมาธิปัญญานี่แก่รอบพอ จะต้องสะสมนะท่านบอกไม่เอาศีลเป็นเป้าหมายไม่เอาสมาธิไม่เอาปัญญาแต่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่เอาเลยนะเพียงแต่ว่าไม่เอามาเป็นเป้าหมายนะบางคนฟังหลวงพ่อบอกว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นสะเก็ดไม้เป็นเปลือกไม้เป็นกระพี้ไม้อะย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ต้องเอาจะเอาวิมุติอยากหลุดพ้นอย่างเดียวไม่หลุดหรอกนะต้นไม้จะมีแก่นขึ้นมาได้ก็ต้องมีใบใช่ไหมมีกิ่งมีเปลือกมีกะพี้มิฉั้นจะมีแก่นขึ้ น, นมาได้ไง เราจะภาวนาให้เกิดวิมุตต์นะัเราก็ต้องมีเปลือกพวกนี้นะศีล ส, สมาธิปัญญาเราต้องอบรมไปเรื่อยให้แก่รอบนะแต่ไม่ใช่เป้าหมายนะมันคือเครื่องมือเครื่องมือกับเป้าหมายไม่เหมือนกันนะอย่างเป้าหมายของหมอนะต้องรักษาโรคให้ได้แต่หมอมีเครื่องมือเยอะแยะเลยถ้าหมอคนนี้เป็นเป็นหมอพิกลพิการทางจิตใจไปซื้อเครื่องมือมาเยอะเลยนะแต่คนไข้จะอยู่หรือจะตายไม่สนเราขอให้ได้ใช้เครื่องมือ นะอย่างนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมเรียกว่าผิดเป้าหมายลนะวั้นเป้าหมายเราจริงๆหลุดพ้นนะแต่เครื่องมือเนี่ยต้องสะสมศีน ส, สมาธิปัญญาต้องสะสมไปเรื่อยแต่ละศีลสมาธิปัญญาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยล้างกิเลสคนละแบบกันนะสีลก็ล้างกิเลสแบบที่ศีลล้างได้สมาธิก็ล้างกิเลสอย่างที่สมาธิล้างได้ปัญญาล้างกิเลสอย่างที่ปัญญาล้างได้นะ ศีลก็ทําให้เกิดกุศลอย่างที่ศีลทําให้เกิดได้ส ม, สมาธิทํากุศลอย่างที่สมาธิทาได้ปัญญาทํากุศลอย่างที่ปัญญาทําได้ไม่เหมือนกันนะนั้นเราต้องสะสมไปนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าจ ะ, จะเจริญปัญญาอย่างเดียวแล้วมีสติรู้กายรู้ใจแล้วเป็นชู้กับเขาก็ได้โกงเขาก็ได้โกหกเขาก็ได้นะมีน้าหลวงพ่อเคยรู้จักอยู่ผม โ, โกหกเป็นไฟเลยโกงเป็นไฟเลยนะแต่มันบอกว่าภาวนานะมีสติมันไปไม่รอดหรอกนะ ศีลนั้นทำไปเพื่ออะไรศีลทําไปเพื่อละบาปอากุศลทางกายทางวาจานะทําให้กายวาจารเรียบร้อยสมาธินั้นทไปเพื่อละบาปอากุศลทางใจนะทําไปเพื่อให้จิตใจสงบเรียบร้อยตั้งมั่นปัญญาทําไปเพื่อล้างความเห็นผิดทําให้เกิดปัญญาเห็นความจรงนะิงก็จะเข้าไปสู่ความหลุดพ้นอย่างสมาธินะก็ทําให้เกิดบารามีหลายตัวนะ ไม่มีสมาธิก็ไปไม่รอดอย่างเมตตาเนี่ยไปเจริญสติมันจะเกิดเมตตาไหมคนละเรื่องกันนะเราอยากมีเมตตาใช่ไหมอย่างจิตเราขี้โมโหเนี่ยเราเจริญเมตตาบ่อยๆใจก็ไม่ค่อยโมโหใจอยู่กับเมตตาใช่ไหมสะสมเมตตาไปเนี่ยคนละเรื่องกันใช่ไหมนัม่นไม่ใช่เอะก็จะเจริญสติอย่างเดียวแล้วก็บรรู้มรรคผลนิพพานไม่ต้องมีศีลไม่มีสมาธิไปไม่ได้นะ แต่ต้องรู้ว่าศีลนั้นส่งทอดไปให้เกิดสมาธิสมาธิส่งทอดไปให้มีปัญญาไม่ได้ไปหยุดอยุ่ที่ใดที่หนึ่งอยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่งนะต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆฝึกทุกวันทุกวันนะเดี๋ยวมันก็ดีเองนหะไม่ยากอะไรแต่ว่าตัวสําคัญที่สุดต้องมีสตินะถ้าขาดสติก็ไม่มีศีลนะขาดสติก็ไม่มีสมาธิขาดสติก็ไม่มีปัญญาเม่มีสติเรื่อยๆ ร, รู้ทันจิตใจตัวเองไปนะ เวลาเรารู้ทันจิตใจตัวเองนะกิเลสราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นสติรู้ทันราคาโทสะโมหะจะครอบงำจิตไม่ได้ราคาโมหะโทโทสะโมหะครอบงำจิตไม่ได้แล้วคนจะไม่ผิดศีลเราทำผิดศีลนะเพราะราคาโทสะโมหะครอบงำนะเราฆ่าเขาได้นะเพราะโทสะครอบงำหรือเพราะโลภะครอบงำก็ได้ อยากให้มันตายเพราะอยากได้สมบัติมันมอยากฆ่าผัวมันเสียแล้วเอาเมียมันมาเนี่ยสมัยโบราณมีหนังชนิดนด้วยนะชื่อยาวมากเลยเรื่องฆ่าผัวมันเสียแล้วเอาเมียมันมาเนี้ททำด้วยโลภก็ได้ทำด้วยโทสะก็ได้เนี่ยคนเรามันผิดศีลเนเพราะกิเลสหรือแย่งสมบัติกันนะอซอ7ตีอซอแนะเสีย8ตีเสียเก้าอะไรเช่นนี้ แย่งสมบัติกันนี่ก็โลภะใช่ไหมก็ผลักดันให้ล้างผลาญกันนะทําให้เกิดโทสะซ้อนขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีสตินะกิเลสพวกนี้ครอบงํำจิตไม่ได้ไม่ผิดศีลหรอกนะถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตมีนิวรณ์จิตที่ฟุงฟ้งไปในกามนะเรียกมีกามมาฉันทะฟุ้งไปในกามจิตฟุ้งไปในความพยาบาทขัดเคืองนะเวลาเกลียดใครก็คิดถึงเพราะนั้นบ่อยๆนะจิตมีพยาบาทใช่ไหม มันฟุ้งไปในพยาบาทบางทีฟุ้งสเปสสปะเรียกว่าจิตฟุ้งสั้นฟุ้งไปฟุ้งไปแล้วก็หงุดหงิดเรื่องลำคาญใจบางทีฟุ้งไปก็คิดคิดไปแล้วก็เกิดลังเลสงสัยนะฟุ้งไปฟุ้งไปแล้วก็หดหูมีไหมฟุ้งสั้นแล้วไปหดหูเนี่ยใจมันฟุ้งไปนะถ้าเรามีสติรู้ทันใจที่ไหลไปใจที่ฟุ้งไปหลวูดูลเรียกจิตออกนอกใจมฟุ้งไปนะกระทั่งฟุ้งในธรรมะก็ฟุ้งสั้นนะ ยังมีสังโยชน์ตัวหนึ่งชื่ออุท ธ, ธัจจะสังโยชน์พระอรหันต์ถึงละได้ตัวนี้ใจฟุ้งในธรรมะไม่ให้ฟุ้งในอธรรมนะฟุ้งในธรรมะก็ฟุ้งนั่นแหละใจมันไหลไปใจมันส่งออกถ้าเรามีสติรู้ทันใจที่ไหลไปไหลไปในกามไหลไปในพยาบาทไหลไปในเรื่องราวที่คิดไหลสเปสสะปะไหลไปจมแช่อยู่ในความซึมเซาหดหูอนะไรรู้ทันลงไปนะใจตั้งมั่นขึ้นมาใจตั้งมั่นนะนิวรณ์พวกนี้ดับหมดเลย เกิดสมาธิใจอยู le, ands, fellow, ่ก an ับเนื้อกับตัวใจตั้งมั่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนเมื่อเราดูจิตดูใจไปนะดูจิตไปเรืยกิเลสหยาบมาเรารู้ทันปุ๊บกิเลสหยาบดับเราไม่ผิดศีลละกิเลสอย่างกลางๆคือนิวรณ์เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันปั๊บนิวรณ์ก็ดับไปเลยให้ใจก็ตั้งมั่นใจไม่ฟุ้งน ไม่ฟุ้งไปในกามไม่ฟุ้งไปในพยาบามไม่ฟุ้งสัน้นสเปะสปะไม่หดหูไม่สงสัยนะใจตั้งมั่นอยู่กั น, น้กับตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นี่อาศัยมีสติรู้ทันจิตไปนะได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิถัดจากนั้นถ้าอยากเดินปัญญานะอย่ารู้ตัวอยู่เฉยๆบางคนกนะ็รู้ตัวอยู่เฉยๆนะรู้สึกไปรู้สึกไปถ้ามีของเก่ามีบารมีมาเนี่ยพอรู้ตัวอยู่เฉยๆบางทีมันเห็น ร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วรูปนี้ไม่ใช่เราเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งนะถ้าเรียกโดยภาษาปารมตสุภาษาปริยัติเรียกรูปนะเป็นอารมณ์ปรมาสุที่เราไปเห็นเข้าไม่ใช่เรานะหรือบางทีก็ไปเห็นนมามธรรมต่างๆนะเห็นเวทนาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นสังขารที่เป็นกุศลอกุศลผ่านมาแล้วผ่านไปเห็นจิตวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่บางคนพอหัดรู้สึกตัวขึ้นมาเฉยๆนะก็เห็นอย่างนี้ได้ละ พวกนี้เขาเคยมีของเก่าของเขาเขาทํามาแล้วนะมันง่ายที่เขาจะกลับมาเห็นสภาวะธรรมแยกกันเป็นส่วนๆแล้วก็เห็นแต่ละส่วนนั้นไม่มีตัวเรานะอย่างพวกเราหลายคนที่ภาวนาภาวนาบางทีแปลงฟันอยู่นะหรืออาบน้ําอยู่ถูสบู่อยู่รู้สึกตัวปั๊บขึ้นมาไอ้นี่ไม่ใช่เราแล้วเป็นท่อนๆ อ, อะไรเนี่ยพวกนี้พวกมีของเก่าทำมาดีนะ แต่ถ้ามีแต่ของเก่าแล้วไม่ทําต่อก็ไปไม่รอดนะถ้าของเก่าดีจริงเขก็บรรลุมรรคผลไปแล้วพี่ยังไม่บรรลุเพราะว่าของเก่ายัางไม่พอต้องทําอีกนะนี้บางคนอนะ่ะมันรู้ตัวขึ้นมาเฉยๆแล้วมันไม่ยอมเดินปัญญาต่อนะมันไม่ยอมแยกรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายต่อไปมันรู้ตัวสว่างโล่วงว่างอยู่เฉยๆพวกนี้ต้องช่วยมันหน่อยนะช่วยมันหน่อยนะพยายามหัดแยกกายแยกใจไปเรื่อยนะเช่นเบื้องต้นนะ้ะนั่งไป นั่งสมาธิเข้านั่งหายใจไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆดูไปแล้วค่อยๆดูไปที่ร rules, ่างกายนะร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้านี่ใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูแลค่อยๆฝึกเนี้นะร่างกายนี้หายใจอยู่นะจิตเป็นคนดูร่างกายนี้พองร่างกายนี้ยุบจิตเป็นคนดูหรือไปเดินจงกรมบางคนชอบเดินจงกรมก็เดินไปแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินนะจิตเป็นคนดูค่อยๆหัดแยกมัน เบื้องต้นก็ช่วยมันคิดนิดหน่อยก่อนได้นะอย่าคิดเยอะคิดมากฟุ้งซ่านนี่พอมันแยกแล้วมันจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วแยกตัวนี้นับจํานวนไม่ท้วนแล้วนะที่กายกับใจมันแยกออกจากกันมันจะเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วนี่ปัญญามจะเกิดแล้วพอกายกับจิตแยกจากการปุ๊บมันจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นแค่สิ่งที่จิตไปรู้เข้าเหมือนพัดอันนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะมันไม่ใช่ตัวเราละอะไรที่มันถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราละนะ เราไปมองพระจันทร์นะพระจันทร์ถูกรู้ถูกดูพระจันทร์ไม่ใช่เราแะ้วมันเห็นร่างกายนี่เหมือนเราเห็นพระจันทร์นี่เหมือนเห็นก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เราละนี่ยมันจะเดินปัญญาได้หรือเรานั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยทีแรกก็นั่งสบายแต่มาความปวดเมื่อยแทรกเข้ามาเรามีสติรู้ทันนะโอ้มันปวดมันเมื่อยขึ้นมาแล้วเห็นเลยความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในร่างกายแต่เดิมมันไม่ปวดไม่เมื่อยนะ นั่งไปนั่งไปความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาเพราะฉะนั้นร่างกายกับความปวดเมื่อยเนี่ยคนละอันกันนี่ช่วยมันดูเองนี้นะนี่สำหรับคนที่จิตมันไม่ดูเองนะถ้าคนที่จิตมันดูเองก็ดูไปได้เลยแค่รู้ตัวขึ้นมาก็เห็นขันมันกระจายตัวกันละพวกนี้บารมีเขามีถ้าของคนไหนไม่มีก็ช่วยมันนั่งไปนั่งดูไปหรือเดินไปดูกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเดินไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆมันปวดมันเมื่อยก็เห็นความปวดเมื่อยอยู่อีกอันหนึ่งนะ กายก็อีกอันหนึ่งจิตก็อีกอันหนึ่งนี่แยกได้สามขันแล้วนะดูต่อไปอีกพอมันปวดมากๆเข้าใจชักทุรนทุรายแล้วชักเป็นห่วงโอ้นั่งนานแล้วปวดมากแล้วเดี๋ยวจะเป็นอัมพาตไหมยังไม่เคยมีใครนั่งสมาธิแล้วเป็นอัมพาตนะตามสถิติไม่มีหรอกมีแต่นั่งแล้วลุกไม่ขึ้นขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน <c oughs> บางคนนั่งมากๆนะแล้วกระดิกไม่ได้ตัวแข็ง บอกเนียนั่งแล้วเกิดศีลหลวงพ่อเคยเจอนะคนนึ่งบอกเนี่ยนั่งสมาธิแล้วมีศีลบอกนั่งสมาธิยังไงว่ามีศีลมันกลายเป็นก้อนหินแล้วศีลคือศิลาอัน <c oughs> <c oughs> นี้นะเนี่ยดูไปนะพอมันปวดมากๆนะใจมันทุรนทุรายแม้ทวสะเกิดละกังวลใจเกิดขึ้นมาละเนี่ยรู้ทันลงไปนะความกังวลใจหรือความหงุดหงิดใจที่มันร่างกายมันปวดมากๆเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ความปวดนะมันแทรกเข้ามาทีหลัง รนะ่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะความรู้สึกปวดอยู่ส่วนหนึ่งนะความทุรนทุรายของจิตใจอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นคนละอันกันนะค่อยดูไปความทุรนทุรายก็ไม่ใช่จิตนะจิตเป็นคนไปรู้ความทุรนทุรายไหมแยกอย่างนี้นะแยกขันออกไปได้เยอะแยะแล้วถัดจากนั้นพอแยกชํานาญนะถ้าไปไม่ได้จงใจแยกเนะ่มันจะเห็นเลยเวลาเดินจงกรมหรือเวลาเดินไปธุระเดินไปขึ้นรถเมเลอนะไรเนี่ยทุกก้าวที่เดินเนะี่ยมันจะเห็นรูปที่เคลื่อนไหว ไม่มีคำว่าร่างกายอีกต่อไปแล้วจะเห็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งที่เคลื่อนไหวที่ไม่ใช่เราแล้วนะความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เห็นชัดเลยไม่ว่าความสุขความทุกข์จะเกิดที่กายหรือเกิดที่จิตนะก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามากุศลอกุศลทั้งหลายที่เกิดที่จิตเนะี่ยก็เป็นของแปลกปลอมขึ้นมาไม่ใช่เราอีกแนละ้วนะตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปเพ่งนะ หมุนเวียนไปเดี๋ยวไวิ่งไปที่ตาเดี๋ยววิ่งไปที่หูที่จมูกที่เิ่นที่กายที่ใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเลยไม่มีอะไรที่คงที่เลยนี่ยเราดูไปเรื่อยนะเราจะเกิดปัญญาเห็นความจริงเลยทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะทุกอย่างมันทนอยู่ในภาวะใดหนึ่งไม่ได้ทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวตนถาวรเป็นสิ่งที่มีชั่วคราวแล้วก็หายไปหมดนี่เรียกว่าตัวปัญญาแล้วงั้นเราหัดภาวนานะ รักษาศีลไว้ฝึกใจให้ตั้งมั่นมีสติดูจิตไปเกิดศีลเกิดใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนะบางคนก็แยกขันได้อัตโนมัติบางคนแยกไม่ได้ก็ช่วยมันแยกอย่างที่บอกนี่แหลนะต่อไปก็จะแยกทั้งวันเลยไม่กลับมารวมกันนะพอปัญญาแก่รอบนี่มันโยนทิ้งเลยขันมีอยู่นะแต่จิตไม่เข้าไปจับอีกต่อไปแล้วมีความสุขที่สุดเลยว่าขันนั้นแหละตัวทุกขนะ์วันนี้เชิญไปทานข้าวเชิญเอาขันไปทานข้าวไว้ ไปหาของใส่ขันนี่วันอะไรครับ